ขอความเจริญในธรรมจงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงปโปทยานได้นำเสนอเึื่องสมาสติมาถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ส่งสอนให้ดูจิตที่ปรากฏในขณะนั้นๆห้โดยดูว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลในตอนต้นๆก็ เป็นการตั้งสติแล้ลึกรู้อยู่ที่อาการของจิตเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเท่านั้นกราวก่อนพูดมาถึงมารคตะจิตคือหมายถึงจิตเป็นใหญ่ท่านบอกว่าหม้ว่าจิตที่เป็นฌานหรือเป็นอปมัญญาพรหมวิหารก็รู้ชัดว่าจิตเป็น มารักตะในการต่อไปก็หรือว่าจิตไม่เป็นมหารักตะก็รู้ชัดว่าไม่เป็นมารักตะคือหมายความว่าไม่ได้อปปนาสมาธิหรือไม่ได้อปปมา อ, อ, ป, อปปมัญญาพรหมหารอปปมัญญานะครับก็รู้ตามความเป็นจริงแต่ว่าจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่ แล้แต่มันปรากฏเป็นกุศลหรือกุศลเราก็มีหน้าที่รู้ไปเท่า น, นั้นเองจิตอย่งหนึ่งท่านใช้คําว่าทรงใช้คําว่าสัพพจิตคือหมายความว่าจิตที่เป็นกามาวจรนี้เองแต่วมีจิตอื่นที่ยิ่งกว่าคือสภาพจิตเหล่านี้ยังไม่ถึงอุปจารสมาธิคือสมาธินั้นท่านแสดงไว้สามระดับ แต่โดยทั่วไปก็จะเป็นสองนะครับแต่ว่าพระอาจารย์ในรุ่นหลังก็พูดถึงคณิกะสมาชิคือสมาชิชั่วขณะมันก็ควรจะมีนะครับเพราะว่าพระบาลีพุทธวัจนะเองก็ทรงแสดงเอาไว้ถึงเมตตาเจโตวิมุตติที่เป็นไปชั่วลักนิ้มือเดียวก็เป็นธรรมที่มีผลเมียนในสง์มากแล้ว ไม่ต้องกล่าวถึงการเจริญเมตตาให้มากเราะงั้นแสดงว่าสมาธิที่เกิดขึ้นเป็นขณะขณะคือตามปกติมันก็ได้กันแถวเนี้ยสมาธิเป็นขณะขณะก็เป็นนาทีเป็นสองนาทีอะไรแต่ไรเนี้ยเขาก็เรียกเป็นกณิกะสมาจิตจิตประเภทสอุตระเนี่ยมันยังไม่ถึงระดับของอุปจารสมาธิแต่ว่า มันก็อาจจะเป็นสมาธิสักระดับหนึ่งคือเกิดขึ้นในขณะหนึ่งขณะหนึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ตั้งสติเลรู้อยู่อย่างนั้นหรือบางครั้งจิตก็เป็นอนุตตระคือไม่มีจิตอื่นจะยิ่งไปกว่าใมายที่นี้ท่านหมายเอาอุอปจารสมาธิคือ สมาธิที่มันเพิ่มปริมาณความสงบช่ว ม, มันยาวขึ้นก็รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นจิตเราก็เป็นอนุตระหรือว่าจิตตั้งมัน่นก็รู้ว่าจิตตั้งมัน่นหรือว่าจิตไม่ตั้งมัน่นก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมัน่นอันนี้คือตัวสมาธิจริงๆก็แนวของพวกอั ป, ปนาสมาธิมีความตั้งมั่นจะอยู่ได้นาน เรื่องสมาธินี่ก็อย่างว่าแหละคือเมื่อเราออกจากสมาธิมันก็รับอารมณ์เหมือนเดิมมันสงบกิเลสได้เขาเรียกว่าเป็นวิคัมปะณะปะหารคือละได้โดยการกดทับไว้หรือสยบไว้ด้วยกําลังแห่งฌานหรือกําลังแห่งอุปจารสมาธิปานาสมาธิแต่ว่าพอเราออกจากสมาธิมันก็รับอารมณ์มันไม่เหมือนของพระอหรหันต คือไม่เหมือนประเภทละกิเลสประเภทละกิเลสนั้นมันหมดไปเลยก็จะไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายกับอารมณ์ที่มากระทบเราจึงพบตัวอย่างบุคคลที่จเจริญสมาธิแล้วก็เสื่อมไปเป็นนั้นมากขนาดว่าหมาหรือสีก็ไลโกรดใหญ่โตเรื่องมาเกียร์ก็เสื่อม จะสมาธิโดยโดยโดยโด ย, โด ย, โดยโมากแล้วมันจะเสื่อมจากเรื่องทางเพศกับเรื่องโทสะจะบันดาลโทสะก็ถูกยั่วยุเกิดโทสะมากเพราะว่าหรือถ้าเราดูให้ดีที่มีการพูดถึงกรรมฐานขี้โกรธสันโดดขี้ขอนี่หมายความว่าใจมันยังไม่เข้มแข็งมากพอใคล้ๆกับคนที่จะก้าวขาร่องเล็กๆนะฮะ คือขาหนึ่งอยู่อีกกล้ควักหนึ่งขาหนึ่งอยู่ีกคว้าหนึ่งตรงนั้นกันทรงตัวไม่แข็งแรงคือถ้าใครพลักแล้วก็ตกของได้ง่ายๆวัอาการของจิตที่เราจเจริญสมาธิแต่ก็ไม่ได้ถึงเป็นสมาธิจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะอ่อนไหวไปกับราคะอ่อนไหวไปกับโทสะนี่จะเกิดขึ้นได้ง่ายนั้นเราจึงพบว่าบางครั้งบางคราวเนี่ย ความคิดความอ่านของท่านบางทีทก็ทั้งกระแรงและแสดงว่าก็มีการกดทับเอาไว้อย่างคราวหนึ่งที่เราเขียนหนังสือทึ่เกี่ยวกับการกระทำของพวกบางพวกที่ไม่หวังดีต่อศาสน า, ศาแล้วก็มีอาจารย์กรรมฐานท่านหนึ่งท่านสนับสนุนให้พิมพ์เผยแพร่ แต่แทนที่จะพิมพ์เผยแพย่ที่อาตมาเขียนท่านบอกว่าจะคุณโสพลเขียนเรียบร้อยไปมัต้องเอาของอันต์เสนาขันเผยแพร่ออกไปมันรูดเดือเดเลือดพล่านนี่แล้วแสดงเอเอหลวงพ่อก็ความคิดแรงนะ น, นั่นก็แสดงให้เห็นถึงจิตที่ควบคุมเอาไว้หรือว่ากดเอาไว้มันก็คล้ายๆครับประกดสัตว์นะจับสัตว์มากดเอาไว้มันก็ดิ่ n มันจิตที่เป็นสมาธิยังไม่เข้มแข็งพอมันก็ดิ้นก็ดิ้นไปเรื่อยๆ เ, เราต้องต่อสู้กันไปทีนี้ถ้าจิตบิมุติคำว่าบิมุติในที่นี้มันคือจิตที่หลุดพ้นแต่ว่าเป็นบิมุดที่เป็นโลกิยะนะเพราะว่าเป็นระดับกลางการเจริญกรรมาฐานไม่ใช่ระดับที่เป็นโลกิยะอะโลกุตระไปแล้วบิมุด ต, ตามปกติก็จะทรงแสดงไว้ถึงห้าระดับด้วยกัน แต่ถ้าเราดูจริงๆมันก็คือสามระดับสามระดับหลักนะฮะแต่ว่าขยายเป็นอาการออกไปก็เป็นห้าระดับรับแรกเรียกว่าตทังกบวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยอารมณ์นั้นๆเช่นสมมติเราเขาทำไม่โกรธแล้วเราคมใจเอาไว้ได้ไม่โกรธก็ถือว่าเป็นวิมุตต์อย่างหนึง่งนี้ก็ยู่ให้อยากแล้วเราไม่อยากเรื่องของก็ตกเอาไว้เราก็ไม่อยากได้ ก็แสดงว่าจิ๋มก็หลุดพ้นจากกิเลสเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงไปก็มากบ้างน้อยบ้างก็ไม่แน่แเราสังเกตลักษณะเหล่านี้ที่จริงคนเราสัมผัสอยู่ทุกวันมันเป็นอาการของนิพพานอ่อนๆซึ่งก็หมายความว่ า, านิพพานธาตุมีอยู่จริงๆเพราะว่าเราสามารถสัมผัสการดับกิเลสได้เป็นขณะขณะก็มีเรื่องเยอะที่น่าโกรธแต่ก็ไม่โกรธเรื่องเยอะที่น่าริษยาก็ไม่ริษยา เรื่องมากที่ยั่วไอ้เกิดราคะไอ้เกิดโลภะก็ไม่เกิดราคะไม่เกิดโลภะในขณะนั้นๆ น, น, นะแต่ไม่ได้หมายความกิเลสมันหมดกิเลสมันยังมีอยู่เพียงแต่ว่าในขณะนั้นแหละจิตใจมใีความเข้มแข็งมันมีพลังของธรรมะอยู่มีสติมีสัมปชัญญะมีสํานึกถึงสถานะของตัวเองาการคิดอย่างนั้นไม่ควรแก่เราหรือการพูดอย่างนั้นไม่ควรแก่เราหรือการทําอย่างนั้นไม่ควรแก่เรา แล้วก็ควบคุมความรู้สึกนึกคิดเอาไว้ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ก็ไม่ออกมาข้างนอกวับนบางทีศีลนี่มันเกิดเนี่ยคือเราก็ไม่ได้สมาทานศีลแต่ว่าไปเห็นมีเหตุให้ละเมิดศีลแล้วเกิดมีโมโนธรรมสำนึกขึ้นมาก็ห้ามจิตเอาไว้ได้ไม่ไปกระทำแล้วก็เป็นศีลในขณะนั้นก็เป็นศีลที่เขาเรียกว่าสัมปัตตวิรัติคืองดเว้นเมื่อมีอารมณ์ที่มากระแทกกระทัน แต่ว่าห้ามใจไว้ได้ข่มใจไว้ได้เอาชนะใจของตนเองไว้ได้ในแนวหนึ่งแนวที่เป็นวิมุตต์เนี่ยเขาเรียกว่าวิคัมพะนะวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยกําลังของฌานดังกล่าวเนี่ยคือหมายความว่าพวกฌานีมันเสื่อมได้แต่ว่าถ้าเราอยู่ในฌานอะกํำลังนั่งอยู่อยู่ในฌานเนี่ยตอนนั้นก็ไม่เสื่อมแต่ ว, ว่าออกจากฌานก็เสื่อ ม, มนะฮะออกจากฌานก็เสือ่อมรับมารมเหมือนเดิม แต่บางครั้งบางครา ว, าราวก็อาจจะรุนแรงกว่าเคยพบตัวอย่างลูกศิษย์ของประมาคษปะคนหนึ่งเป็นพระหนุ่มนะฮะบวชแล้วก็เที่ยวบินทบาตวันหนึ่งก็ไปเจอสาวสวยเข้าก้อนในบ้านญาติตัวเองได้ํำไปจิตใจมันก็ไปกระัตดไปในทางเพศก็ปรารถนาที่จะศึกไปแต่อยู่ร่วมกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ศึกไปแล้วก็คงกาบผู้หญิงก็คงไม่เอาด้วยอะไรนี่นะ เลยก็ไปเขาหาสมาคมกับเพื่อนที่เป็นนักเลงเป็นโจรจนถึงก็ไปดูไอ้เขาเรียกอะไรต้นทางให้นะฮะดูลปลายทางให้พวกโจร น, นะครับต้นเราค่อยดูค่อยให้สัญญาณเวลามีเจ้าหน้าที่เข้ามาเ น, นี่ยเดี๋ยวพอเจ้าหน้าที่เข้ามาคนอื่นก็วิ่งหนีหมดตัวเองก็ถูกจับก็ถูกจับในฐานะที่เป็นโจร ก็ถูกลงโทษนําไปเสียบหลาไว้พระมหากระสปะท่านเดินไปบินธ บ, บาตท่านก็บอกว่าให้นึกถึงอารมณ์เก่าท่านก็นึกถึงอารมณ์กรรมาฐานมันเป็นความจานิชํานาญที่ท่านมีอยู่แล้วใล้ๆกับภาษาถิ่นนะฮะภาษาถิ่นของเราที่เราเร า, เราเกิดอยู่ในถิ่นใดถิ่นหนึ่งแล้วเราก็ออกจากถิ่นนั้นไปนาน 20สิบปีสามสิปีเรากลับมาถึงเราก็พูดได้นะแต่ว่าตอนเราออกไปเราพูดได้แล้วไม่ใช่เราเอาไปตั้งแต่เกิดใหม่ๆแล้วก็แสดงให้เห็นทั้งว่าต่คุณธรรมเหล่านี้เขเป็ น, เ ป, นเป็นฐานใจเป็นเรือนใจอยู่แล้วในสุดท่านก็ได้บรรลุฌานนะแล้วก็แสดงอิทธิฤทธิลอยขึ้นไปจากเหล่าตรงนั้นได้แล้วก็กลับไปบวชเหมือนเดิมตอนนั้นก็บรรลุมรรคผล แ, แสดงเห็นว่าในจิตใจของมนุษย์เนี่ยเล่นมันยากมากคือควบคุมได้ยากมากขนาดคนบรรลุฌานแล้วยังตกเลยที่เขาพูดสงรวจอะไรว่าเทวดาตกสวรรค์จิตประเภทนี้ท่านเรียกว่าเป็นจิตวิมุตตแต่ว่าวิมุตติอีกเป็นของพระยาบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิมุตติอย่างนี้คือท่านก็ตัดขาดกิเลสไปได้เช่นบสุบันเนี่ยก็ตัดกิเลสได้ขาดได้ สามประการไม่มีการกำเริบอีกต่อไปไม่ว่าจะไม่ว่าจะไปเจออารมณ์อะไรก็ตามเป็นการขาดเด็ดไปเลยเพราะเมื่อเจออารมณ์หลุดนั้นอยู่ยมันก็ท่านก็บิมุตินะฮะเป็นเรียบปัิสธิบิมุตคือจิตมไม่สงบไม่ฟูขึ้นไม่ฟูไม่แฝงไปตามอารมณ์ที่มากระทบแล้วก็เป็นนิสชาบิมุติคือหลุดพ้นโดยการออกไปจากอำนาจของกิเลสอำนาจของความทุกข์อย่างสิ้นเชิง แต่วุ น, นีที่จริงต่อกันเลยนะฮะเป็นขณะที่ต่อเนื่องกันไปนเลยเป็นอาการของจิตที่เข้าถึงสมุทเฉตวิมุตตนั่นแหละมันก็สแสดงอาการออกมาเป็นปฏิเป็นการสงบแล้วก็เป็นการออกไปจากอำนาจของกิเลสและความถุกแต่ถ้าจิตเกิดอย่างนี้มันก็มันก็รู้เหมือนกันนะฮะอย่างที่เวลาพูดถึงพระอริยบุคคลท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระหรัน เป็นตัวอย่างมาพูดถึงพระปัญจวคีเนี่ยในตอนสุดท้ายของพะสูตรเนี่ยก็สแสดงว่าดูก่อนพิกูจน์ทางหลายอริยาสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิต ก, ก็รู้จิต ก, ก็พ้นเมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้มันก็รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้แล้วก็จบกันไปเล ย, เลย ขีนาชาติชาติสิ้นแล้วพระมรรจ์พระมรรจันได้อยู่จบแล้วกิตทีควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิติอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแต่ว่าในที่นี้ก็พูดเฉพาะมีมุตที่เป็นโลกิยะอย่างเมื่อเขหลุดพ้นก็รักษาจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่รักษาไม่ได้ตลอดอนะฮะเพราะว่ามัน ยังไงเราก็ต้องออกจากสมาธิยู่ดีพิกษูย่อมเป็นิดปีนาเมื่ อ, เ ม, อเมื่อถึงจุดนี้เราลองสังเกตว่ามันก็แบ่งเป็นจิตประเภทแปดประเภทนะะประมาณแปดประเภทแต่อย่างที่บอกไว้เมื่อวันก่อนว่ามันมันไม่เรียงลําดับอย่างนี้ลเลยเลยเวลามันเกิดอ่ี๋ยเวลาผู้เวลาแสดงมันก็ต้องแสดงไปมีอย่างหนึ่งก็คือไม่มีอย่างหนึ่งแต่ไอการไม่มีอย่างหนึ่งนั้นไม่ใช่หมายความว่ามันตรงกันข้ามเสมอไป ฉันต้อบอกว่าจิตมีราคะเรารู้ว่าจิตมีราคาจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะไอ้จิตไม่มีราคานั้นอาจจะมีโทสะก็ได้อาจจะมีโมหะก็ได้อาจจะมีริษยาก็ได้อาจจะมีวิมุตติก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นราคาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าลองสังเกตแล้วก็ดูที่จิตของเราก็นั่งสมาธิมาดูจิตเราเองนะฮะเราเจ็ว่าบางทีมันก็น้อมเข้าไปหาที่จะเป็นสมถะคือน้อมไปหาที่จะสงบ บางทีมันน้อมไปในร้านที่จะใช้ปัญญาเพราะฉะเมื่อเราดูจิตที่มันเปลี่ยนแปลงมันไม่แน่นอนมันคือคนทาปกติคนเข้าใจว่าจิตเที่ยงนะฮะคือใจว่าจิตเที่ยงแล้วก็มาจากที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ไปอยู่รวมกับสถานที่เหล่านั้นแนวเทวานนิยมทั้งหลายเนี่ยก็พูดแค้ายๆกับจิตเป็นตัวเดินทางไปเรื่อยๆ แต่ว่าพระพุทธศาสนาแสดงจิตออกมาเป็นกระแสะเกิดดับทยอยกันเป็นคลื่นคล้ายๆกับกระแสะไฟที่เดินมาเนี่ยแล้วก็ผ่านหม้อแปลงไปเราจะเห็นว่ามันก็ดับอยู่ตลอดระยะเวลาเลยเราเปิดไฟอยู่ที่บ้านไปดูที่หม้อแปลงหรือหม้อไฟนะ่ะก็เรียกอะไรอะ่ะอิมิเตอร์นะฮะเราจะเห็นว่ามันก็เกิดมันก็มีการเปลี่ยนตัวเลขอยู่ตลอดระยะเวลาลวก็แสดงว่านั่นก็คือกระบวนการเหล่านี้มันก็เลื่อนไหล มันจิตเองมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดกดับทยอยกันไปแต่ว่ามันได้นำเอาบาับาบับุญไปด้วยมันเป็นคุณภาพของจิตที่สืบเนื่องกันไปนะฮะคล้ายๆกับมะม่วงจากต้นหนึ่งผลมะม่วงจากต้นหนึ่งเอาไปปลูกใหม่มันก็รสชาติก็แบบต้นเดิมแต่ต้นแม่ของมันทีนี้ถ้ามีการทานุบารุงดีๆนะฮะ ร, รสชาติอาจจะพิเศษขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็เป็นมะม่วงนั่นแหละ มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ดังนั้นพอมาถึงจุดหนึ่งก็รับสั่งว่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบ้างนะจิตในจิตที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกนั้นก็ดูหยาบๆก็คือจิตเรากละจิตคนอื่นรองลงมาก็คือดูจิตที่ปรากฏในขณะหนึ่งเช่นสมมติว่าดูจิตที่ประกอบเป็นราคะอยู่ แล้วก็นึกถึงจิตอย่างอื่นมันก็คือการนะฮะเกิดขึ้นมาจากเหตุปจัจจัยคือกันแล้วก็ในที่สุดก็เห็นว่าจิตมันเป็นกระบวนการบอกว่ายอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตบ้างยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในจิตบ้างทีนี่จิต ก, กับกายเนี่ยถ้าพูดถึงการดำรงอยู่จริงๆเนี่ยกายมันดำรงอยู่นานกว่าจิต มันก็สอนให้ดูจิตในทรรนองเดียวกันหมายความาพิจารณ์ธรรมดาคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างจิตมันก็เกิดขึ้นมาจาเหตุปัจจัยที่จิตมีความรักมีความสร้างมีความเมตตามีความปริศญามันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยนอย่างอื่นมันก็เหมือนกันน่ะมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมันเกิดมันก็เกิดเหตุปัจจัยตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่เหตุปัจจัยดับไปมันก็ดับไป เมันเกิดขึ้นมาใหม่นะะทีนี้อเหตุปัจจัยดันปกติมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติเราถ้าไม่มีกระตุ้นมาจากข้างนอกคือจิตที่มันธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันคิดอารมณ์อยู่แล้วอ่ะคือจิตคือธรรมชาติที่คิดอารมณ์ไม่มีจากข้างนอกให้คิดแกก็คิดมาจากข้างในอ่ะแกก็เดียวคิดมาจากข้างนาในเราสังเกตว่าบางทีเรานอนหลับเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรมากระทบอะ่ะแล้วก็ของเก่ามนคิด เดี๋ยนึกสึกนึกเพ้อฝันก็สรรอยากไปด้วยประกาศต่างๆก็กลายเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของจิตแล้วก็ในสุกก็ดูทั้งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปนะฮะเกิดขึ้นทั้งเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปดูไปดูมาก็เออจิตมันก็คือจะลืมมาพวกนี้เข้าใจว่าจิตเป็นตัวเที่ยงแท้ทีนี้พอรูไปดูมาเนี่ยก็เห็นว่าจิตมันไม่เทียงแท้ เขาสังว่าก็หรือสติว่าจิตมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนี้เธอนั้นแต่เพียงศักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่ระลึกจิตไมนมีอยู่สักว่าเท่านั้นเป็นที่รู้เป็นที่ระลึกแต่นั้นเด็กแล้วในสุดก็ไม่ไม่ได้ผูกพันอะไรยกับจิตธรรมดามันเป็นขมันอย่างนั้นเองในเชี่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามันเป็นขมันอย่า ง, งานั้น แล้วก็เธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยนี่ก็เหมือนกับที่กายกับเวธนาที่ว่ามาแล้วนะคือจบนี่จะจบเหมือนกันทุกจุดเ่อแสดงให้เห็นถึงอาการที่เวลาท่านแสดงโดยสรุปเนี่ยพิจารณาในกายให้เห็นว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สักวบุคคลตัวตวนเราเขาเรียกกายา นุปัสนาสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาเห็นว่าเวทนาก็สักตัวว่าเวทนาไม่จะสักบุคคลตัวจะตนเราเขาเรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานพิจารณาจิตเห็นว่าจิตนี้ก็สักไปว่าจิตไม่จะสักไม่จะบุคคลไม่ช่ตัวไม่จะตนไม่ใช่เราไม่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไมได้จิตตานุปัสนาแในการเห็นอย่างนั้นมันเป็นการเห็นระดับของวิปัสสนาคือเราสังเกตว่ามนุษย์เราจะมีความรู้สึก ไปยึดเกาะ อ, อยู่กับสิ่งต่างๆจึงนั้นเป็นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็ น, นโน้นอะไรด้วยประการต่างๆเนี่ยแล้วก็กลายเป็นตัวเป็นตนที่จะต้องยึดที่จะต้องถือจะต้องเอาจริงเอาจังกับมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือบางครั้งนี่เราดูแลเราก็สลดสลดตดตูเช่นถุมมุตวพระพอเป็นราชาคณะชั้นสูงสูงขึ้นมาเนี่ยอายุพรรษาน้อยเนี่ยต้องไปนั่งบนผู้ใหญ่ คือให้ความสําคัญแก่สิ่งที่ชาวบ้านเขาแต่งตั้งให้เนี่ยมากกว่าพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไปต่เรื่องที่น่าสลดแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ไปยึดถือเนี่ยยิ่งเรานั่งที่ไหนก็ได้นะฮะนั่งที่ไหนก็ได้มันก็คือกันเน่ยไม่เห็นแปลกอะไรก็นั่งก็เต็มก้นเท่านั้นเองอ่ะครับพิจารณาเท่าที่มันจะแผ่ไปมันก็จบสําเร็จประโยชน์เลกแก่ในเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่น่าจะไปรับใช้กิเลสสนองกิเลสได้มากเกินไป แต่ก็ไปรับชายกิเลสกันมากไปจยุนไแล้วรู้สึกน่าเกลียดแล้วก็น่าเป็นห่วงนะฮะว่าถ้าเรายัางขืนชายประหยัดพระราชบัญญัติแบบชาวโลกกันอยู่อย่างนี้คือคิดแบบชาวโลกอะ่ะเขามีตัวมีตน ม, ม, มีเรามีเขาเป็นของเราของเขาชั้นใหญ่เธอเล็กอะไรแต่ไรก็ว่ากันไปแล้วก็นี่ก็ไอเนื้อหาสาระไอแก่นแท้ของความเป็นพระซึ่ง จะต้องสัมผัสศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยมันจะจางคลายลงไปเราลองสังเกตว่าเนื้อหาสาระทั้งหมดเนี่ยมันไปสรุปรวมที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะจริงๆมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆคือเราไม่ได้เป็นอะไรจริงแต่ว่าพวกนี้ถ้าหากว่าเราใช้ให้เกิดประโยชน์ จะมีความสานึกเขาตั้งให้เป็นราชาคณะมอบหมายภาระมาขอราธนาพระคุณเจ้าปให้โปรดรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในพระอารามโดยควรเทินอย่างเงี้ยนะเออมันก็มีภารกิจที่จะต้องจัดจะต้องทำก็เกิดรับไปชอบและหลักการยังนึกถึง ตอนเรียนวยากรเนี่ยนะสมเด็จพระ ม, ามาารหาสมาเจ้ากรมยาวิชาญรูรสกันยกตัวอย่างยะโสลธานวัชฉยะได้ยศแล้วไม่พึงเมาเพราะทรงรู้ว่าพวกหมาปรเรียนเนี่ยต่อไปมันมียศมีสักมีตําแหน่งแต่ทรงเป็นห่วงว่ากลัวจะเมากลัวจะเมานะอัตตามันเคืองขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วในที่สุดจะไม่ได้อะไร อยงหมายความว่าศีลก็วิบัติอาจารย์ลก็วิบัติทิฏฐิก็วิบัติและในที่ถูกอธีวะก็อาจจะวิบัติอาจจะวิบัติหมดด้วยทำไปกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ไม่มีใครเตือนใครกันได้นะฮะอยู่ในยุคที่ไม่มีใครเตือนใครกันได้นอกจากว่าเรามีสมรรถสิ์สูงกว่าแล้วก็พูดกับลูกศิษย์ที่มีสมรรถดั์น้อยกว่าให้เกิดสํานึกตัดเตือนเนี่ยนะ แต่คนสมรรถสิ่งสูงนี่ไม่มีใครพูดแล้วนะไม่มีใครพูดก็ปล่อยกันไปตามยาถา ก, กรรมนั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราทอดทิ้งสติปัฏฐานทั้งทิ้งกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนากันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ให้หลุดพ้นจากกิเลสแบบองค์นั้นๆเลยว่าหลุดพ้นด้วยกำลับบงของฌานได้บ้างก็ดีท่านฟังทงังหลาย ในหลวงพรท ธ, ธยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็ น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมยงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี